สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับเราจะกลับมาดูสุภาษิตครับสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตในวันนี้เป็นครั้งที่สามสิบหกเรื่องอย่างู้โพรเจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าโปรดฟังโปรจนะของพระเจ้าบุตรชายของเราเอา๋ยถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนบ้านของเจ้าได้ทําสัญญาให้แก่คนอื่น ถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำพูดของเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิดเพราะเจ้าตกอยู่ในมือของเพื่อนบ้านเจ้าแล้วไปรีบไปวิงวอนเพื่อนบ้านของเจ้าอย่าให้ตาของเจ้าหลับลงอย่าให้หนังตาของเจ้าปลืไปจงปลีกตัวของเจ้าจากภัยอย่างละมั่งที่ปลีกตัวจากพรานอย่างนก จากมือของคนจับนกพี่น้องครับเราขึ้นมาในบทที่หของพระธรรมสุภาษิตแล้วนะครับโซโลมอนนั้นได้ระบุถึงความผิดพลาดที่อันตรายมากสองสามอย่างในบทนี้เช่นการไปเป็นคนคำประกันรับผิดชอบหนี้สินให้กับคนอื่นและเรื่องของความขี้เกียจหรือความเกียจค้านและเรื่องของการพูดโกหก นะครับสองสามอย่างนี้ครับเป็นความผิดพลาดที่อันตรายมากซึ่งกัดกินชีวิตหรือทำลายชีวิตเอาความสุขออกไปจากชีวิตของเขาเอาความสาเร็จออกไปจากชีวิตของเขาและเอาความจริงออกไปจากชีวิตของเขาคำแนะนำในบทนี้นะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความสุ ข, ขุมรอบครอบที่คนคนหนึ่งจะต้องมีนะครับ พวกเราเองต้องระมัดระวังและสุ ข, ขุมรอบครอบในความประพฤติต้องใช้ความประณีตละเอียดรอบครอบมีสติหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอธิบายหรือพูดถึงความเป็นบุคคลที่มีความสุ ข, ขุมรอบครอบคนคนนั้นเขาจะมีสามัญสำนึกที่ดีครับหรือที่เรียกว่า common sense ใครก็ตามที่มีความสุ ข, ขุมรอบครอบเขาสามารถมองเห็นลวงหน้า ถึงผลลัพธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้และนี่เป็นการเปิดเผยกำแดงของพระเจ้าครับผ่านทางพระคัมพีผ่านทางพระธรรมสุภาษิตเพราะว่าเมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิตรเราก็จะให้ควรและเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดที่มีความสุ ข, ขุมรอบคอบเพราะว่าพระปัญญาหรือครูปัญญาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เปิดเผยนะครับเปิดเผยหน้าบัตรไทยของพระเจ้าทําให้เราเห็นผลลัพธ์ต่างๆ ทำให้เราเห็นอะไรล่วงหน้าทำให้เราเห็นกับดักหลุมพรางต่างๆที่อยู่ข้างหน้าเราเราจะต้องระมัดระวังไม่ตกอยู่ในหลุมพรางนี้นี่คือสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตช่วยครับเราจะเข้ามาถึงเนื้อหานะครับว่ากษัตริย์โรมอนั้นเตือนลูกหลานของพระองค์ท่านนั้นระวังอย่าเป็นคนโง่เป็นคนโง่าทาอะไรครับเป็นคนโง่ไปทำบัตรกันคนอื่นไปรับรองว่าตัวเองนั้นจะใช้หนี้แทนคนอื่น คนอื่นนี้อาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือคนรู้จักกันพี่น้องครับใครก็ตามที่ไปค้ำประ ก, กันนะครับให้กับคนอื่นๆว่าตัวเองจะใช้หนี้แทนอันนั้นถือว่าเป็นความโง่อย่างมหันครับการกระทาอย่างนี้ถือว่าเป็นความโง่เขลามากเราจะต้องออกห่างจากความผิดพลาดนอกจากความบาปที่เกี่ยวข้องกับการร่วงประเวณีความไม่ชื่อสัตว์ทางการสมรส อันนี้ก็จะเป็นความโง่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าไปรับเป็นผู้ค้ำประกันที่น้องครับพระอัมพีบอกว่าจงเป็นผู้ที่มีความสุขขมมีสติมีความรอบครอบบุคคลที่อยู่ในคำสอนอยู่ในโพชนะของพระเจ้านั้นก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้การเป็นผู้ค้ำประกันนั้นหรือเป็นผู้ประกันนั้นหมายถึงการผูกพันตัวเองในสัญญาว่าจะรับภาระรับพันท่าการจ่ายหนี้ของบุคคล คนนั้นมาเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อคนคนหนึ่งลงนามร่วมรับรองเพื่อจ่ายเงินนะเพื่อเป็นผู้ที่ชาระหนี้แทนนะครับของคนอีกคนหนึ่งก็คือไปค้าประกันโซมอนแนะนำอย่างหนักแน่นนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่พบว่าตัวเองอยู่ในกับดักนี้แล้วเขาควรจะต้องรีบนะครับใช้คำว่ารีบทำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สามารถทําได้ครับให้กลับมานะครับอยู่ในสภาวะเดิมก็คือหลุดออกจากการผูกมัดทําให้ตัวเขาเองออกจากการผูกมัดก่อนที่จะเกิดปัญหาทําให้ตัวเองย่ําแย่ในที่สุดพระองค์ท่านแนะนําลูกๆหลานๆของพระองค์ท่านว่าอย่าไปเป็นคนโง่ไปเป็นคนขําประ ก, กันถ้าหากว่าบุตรชายของโซโลมอนเชื่อฟังพวกเขาจะสามารถหลีกเลี่ยงและปลอดภัย จากสิ่งผูกมัด ต, ต่างๆที่คนทั่วไปนั้นที่ตกอยู่ในความโง่เขาหลงไปไปเป็นผู้คําประกันพี่น้องครับรพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยเตือนเรามากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องรีบไปวิงวอนเพื่อนบ้านของเราที่เราไปคําประกันนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าต้องไปรีบไปหาเจ้าหนี้ครับและอย่าให้ตาของเจ้าหลับลงอย่าให้หนังตาของเจ้าปลือไปก็หมายความว่าต้องรีบเลย นะครับรีบเลยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันนะครับให้เรามีท่าทีที่จะปลีกตัวของเราออกจากภัยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเหมือนกับละมั่งที่ฉลาดนะครับความจริงเขาจะต้องตกเป็นเหยื่อของนายพรานแต่ละมั่งที่ฉลาดนั้นก็ปลีกตัวจากกับดักของนายพรานหรือนกที่ฉลาดก็จะหนีออกจากกับดักหรือมือของคนจับนกพี่น้องครับ ตัวอย่างสามตัวอย่างนี้ก็คือว่าจงปลีกตัวของเจ้าออกจากภัยนะครับโดยที่ระวังรีบอย่าให้ตาหลับอย่าให้หนังตาเปรออันที่สองก็คือต้องปลีกตัวอย่างละมังอันที่สามต้องปลีกตัวอย่างนกครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีความสําคัญมากโซโลมอนใช้ถึงห้าข้อ ด, ด้วยกันที่จะเตือนลูกหลานของท่านในการที่จะไม่ตก เป็นเหยือ่อกลายเป็นคนที่ไปค้ำประกันและต้องไปรับหนี้เขาพี่น้องอาจจะมีคนรู้จักเป็นญาติหรือแม้กระทั่งตนเองนะครับที่เป็นผู้ค้ำประกันคนอื่นถ้าว่ายาถ้าเราอยากจะทําตามน้ำมันไทยของพระเจ้าแล้วจงรีบไปปลดจากพันธะนี้เสียอย่างรวดเร็วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นคนที่มีความสุขกลุ่มรอบอบ อาเมน